คนเราเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็มีสองสภาวะเท่านั้นนะ น, นะก็คือตื่นกับหลับทั้งปีทั้งชาตินะหรือว่าตลอดชีวิตมันก็มีแค่สองสภาวะหรือสองโหมดนะตื่นกับหลับจิตใจก็เหมือนกันนะก็มีสองสภาวะสองโหมดก็คือรู้กับหลง ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนะเราตื่นมากกว่าหลับนะเราตื่นตักงสิบหกชั่วโมงสิบเจดชั่วโมงนะหรือสองในสามของวันนะเราหลับแปดหรือเจ็ดชั่วโมงแต่ในส่วนของใจเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้นะทั้งวันเนี่ยแม้กระทั่งในายามตื่นเนี่ย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 คิดว่าเรารู้ตัวจริงๆเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซนีแปดสิบเปอร์เซ็น่ยคือหลงนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลงไปตลอดนะมันหลงไปสักพัรแล้วกลับมารู้ตัวรู้ตัวสักพกักแล้วก็หลงไปใหม่นะใจลอยฟุง้งคิดโน่นคิดนี่มันไม่ใช่หลงยาวนะถ้าหลงยาวนี่มีปัญหาเช่นหลงยาวสักห้านาทีเงี่ยนะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้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 ตอบอ e ีเมลคือมันจะมีสิ่งที่เข้ามาดึงดูดใจดึงดูดความสนใจให้ละหรือพลาดจากงานที่ทำนะมีข้อความโน่นข้อความนี้เข้ามาหรือไม่ชนั้นก็มีคนมาคุยอ่ะก็ชวนคุยหรือเผลอคุยหรือบางทีก็ใจลอยเนี่ยดูมันทำงานนะ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 ก็จะมีสิ่งแรกเข้ามาทุกห้านาทีตอนนี้มันมีสิ่งแรกเข้ามาทุกสามนาทีแล้วทาได้ปักสักพักเดียวมีข้อความขาเข้ามาเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวมีอ e ีเมลเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกับงานเลยนะแต่ถึงแม้ไม่ได้ทํางาน น, นะในออฟฟิศนะแนวโน้มที่คนรเราจะใจลอยก็ หรือว่าหลงเนี่ยมันก็มากอยู่มากกว่ารู้อยู่แล้วใจของเราเนี่ยมันคล้ายๆว่ามีนิสัยไปในทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งขณะที่สวดมนต์ใจเราก็ลอยอาจจะสักแปดสิบเปอร์เซ็นขณะที่ฟังคำบรรยายนี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวก็ไปแล้วคิดโน่นคิดนี่จะให้ มีใจจดจ่อจอยู่กับคำบรรยายต่อเนื่องเนี่ยก็คงไม่เกินนาทีเดี๋ Exchange. ยวก็ไปแล้วงั้นถ้าเราปล่อยใจเราไปอย่างนี้นะมันก็นอกจากจะทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้แนละ้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆเข้ามากลุ่มรุมรุมแเราจิตใจได้ง่าย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 ตรงที่ผ่านธรรมศาสตร์และศิรีราชเนี่ยแะ่ก่อนไม่มีนะน้ำในน้าเจ้าพยาเดิมเนี่ยมันไปทางคลองบางกอกน้อยแล้วไปออกคลองบากอกใหญ่เรานึกภาพนะออกจากคลองบางกอกน้อยแล้วไปออกทางคลองบางกอกใหญ่ตรงกองทัพเรือนั่นนะ่ะตรงนั่นนะ่ะคือแม่น้ําเจ้าพญาเดิมนะแต่ดีนี้เป็นไงมันกลายเป็นคลองไปแล้ว ส่วนแม่น้าเจ้าพญาที่ผ่านธรรมศาสตร์ีราดเนี่ยแต่ก่อนเป็นคลองนะเขาชื่อว่าคลองรัดแต่ก่อนมันก็คลองเล็กๆนะแต่ว่าพอขุดไปนานๆเนี่ยนะน้ําเนี่ยมันก็มันไม่ไปทางสายเดิมไปทางสายใหม่มันก็ไปทางคลองรัดเนี่ยอคลองที่มันเคยแคบเคยตื้นเดี๋ยวนี้มันมันใหญ่แล้วกลายเป็นแม่น้ํา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 ความบรรยากาศเป็นความเคยชินแล้วพอมันกลายเป็นนิสัยมันตายของมันเองนะใหม่ๆเนี่ยนะเดินจงกรมสร้างจังหวะก็หลงไปแปดสิเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่พอปฏิบัติไปนานๆนะความหลงจะลดลงลดลงลดลงถึงจุดหนึ่งนะไอความรู้ตัวมันจะมากกว่าความหลง อาจจะรู้ตัวสักหกสิบเปอร์เซ็นหลงสี่สิบเปอร์เซนตแล้วจะทําทไปเรื่อยๆนะความรู้ตัวก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันรู้เองเลยนะตอนเราจะรู้เองเผลอปุ๊บรู้ปั๊บเผลอปุ๊บรู้ปั๊บนะแต่ก่อนนี่ไม่ใช่เลยนะรู้ตัวยังไงเดี๋ยว ก, ก็หลงอีกรู้ตัวยังไงเดี๋ยวก็หลงอีกนะหลงพราะมันนั่นใช่คําว่ามันมันมีน้ําหนักนะไอ้ความหลงมันมีน้ําหนักมันก็ฉุด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 จำแล้วจำอีกจำแล้วจำอีกที่แรกก็ลืมนะัพ์ตัวหนึ่งเนี่ยก็เปิดหลายครั้งจำหลายครั้งต้องนึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันบ่อยหรือเห็นมันบ่อยเนี่ยมันถึงจะจำได้พอเห็นปุ๊บที่หลังจำได้เลยเห็นปุ๊บจำได้เลยมันระลึกนึกขึ้นมาได้ไอ้คำมันนึกขึ้นมาได้หรือว่าระลึกขึ้นได้เนี่ยก็คือสตินั่นแหลสะสตินหน้าที่ หน้าที่หึ่งก็คือความเราลึกได้เวลาเราเห็นเวลาเราเห็นศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วเรานึกได้ว่าอ๋อมันแปลว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสตินะสติแปลว่าราลึกได้จําได้แล้วเราก็ใช้สติในแง่นี้เนี่ยนะ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 ก็ไม่รู้ว่ากา ล, ลังทำอะไรอยู่ก็ได้เวลามาฝึกสติก็จะพบว่าโอ้ยมันใจมันฟุง้งกรุงไปเรื่อยไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่อันนี้เพราะสติอ่อนสติเช่นนี้เราเรียกว่าสัมมาสตินะสติมันมีหลายหลายประเภทหลายระดับเนี่ยที่เรากาลังฝึกคือสัมมาสตินะซึ่งมันช่วยทให้เราระลึกได้ในเรื่องตัวเอง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 ให้เต็มแก้วด้วยกับช้อนเนี่ยจเจริญสติก็เหมือนกันนะเราก็ต้องอดทนหน่อยนะสติมันจะเติบโตทีละนิดทีละนิดแต่ว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเราลึกได้ไวขึ้นไวขึ้นนะรา ล, ลึกได้ในเรื่องตัวเองเระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจไอสมาสตินี่ยมันยังแตกต่างจากความระลึกได้หรือสติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอีกอย่างหนึ่งนะ ก็คือว่าเวลาเราจะระลึกอะไรบางทีเราต้องใช้ความตั้งใจถามว่าเมื่อเช้ากินอะไรเนี่ยต้องตั้งใจคิดหน่อยเมื่อเช้ากินอะไรเมื่อตอนเพลิกินอะไรต้องตั้งใจนึกถึงจะนึกออกหรือว่าถามว่าเพื่อนเราเกิดวันไหนต้องคิดหน่อยถึงจะนึกออกถามว่าสึนามิเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะต้องตั้งใจนึก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 แล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ตั้งน้ำร้อนเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วฝานี่น้ำคงแห้งหมดแล้วหรือว่ากําลังทํางานเพลินเพลินก็นึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยเรานัดเพื่อนเอาไว้นะสี่มงเย็นไอ้นี่มันห้าโมงเย็นขึ้นไปแล้วถามว่าที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันตั้งใจหรอมันไม่ตั้งใจมันออกมาเองแต่คนส่วนใหญ่บางทีมันออกมาช้านะนัดเพื่อนไปสี่โมงกว่าจะดึงได้ก็หกโมงเย็นนะ มันช้านะแต่ว่าสมาไอการจรดสติเนี่ยการจรดสติเนี่ ย, ค, ยคล้ายๆกันนะก็คือมันนึกขึ้นมาได้เองใจลอย ค, คิดน่อยคิดทว่านึกขึ้นมาได้วันนี้เรากําลังเดินจงกรมกําลังคิดเรื่องงานก็นึกขึ้นมาได้ว่านี่เรากําลังสร้างจังหวะอยู่เนี่ยนะมันนึกขึ้นมาได้เองแต่ว่ามันคิดไปหลายเรื่องแล้วคิดไป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 จะมีความชำนี้ชำนาญมากขึ้นเราฝึกให้เราต้องการฝึกให้มีสติรู้ทันนะเราลึกขึ้นมาได้ไวๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่มันเราลึกได้บ่อยๆลราลึกได้บ่อยๆลราลึกได้บ่อยๆการที่มันจะลึกลึกได้บ่อยๆเนี่ยมันต้องเพลอบ่อยๆด้วยนะมันต้องเพลอบ่ำมันจะลึกลึกได้ไวไงถ้ามันไม่เพลอแล้วมันจะลึกได้ยังไงคนที่ไปบังคับจิตไม่ให้ไม่ให้ฟุ้งเนี่ยนะ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 แล้วเขาก็เรียนรู้จากความผิดก็พูดให้ถูกมากขึ้น a อ d u b i ี้พ่ผู้ภาษาไทยนี่สำเนียงดีนะแล้วเขาเรียนใช้เวลาไม่นานฝรั่งหลายคนก็เรียนใช้เวลาไม่นานเพราะว่าฝรั่งเ็าไม่กลัวผิดแต่คนไทยนี่กลัวผิดมากก็เลยไม่พูดพอไม่พูดเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้เรียนรู้าการจุดรสติเหมือนกันนะอย่าไปกลัวฟุ้งนะทาไปเลยนะมันจะฟุ้งบ้างจะหลงบ้างช่างมัน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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเวลาปฏิบัติเนี่ยนะประการที่หนึ่งก็คือว่าทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำเยอะๆนะเหมือนกับตักน้ำให้เต็มแก้ว้วยกระชอนอสองเนี่ยไม่กลัวฟุ้งนะเหมือนกับเหมือนกับเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่กลัวผิดนะพูดไปเรื่อยผิดบ้างถูกบ้างเอาเดี๋ยวมันเรียนถูกได้เอง